ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระองค์นั้นวินัยะสังขะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีรังกาตจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลข้อที่สี่วินยติวินิชยกถากะถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องวินยต การขอชื่อว่าวินยัตในเรื่องวินยัตนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ที่ตุจะขอคนโดยขาดมูลไม่ควรจะขอว่าพวกข้านจงให้คนเพื่อประโยชน์กนการร่วมมือเพื่อประโยชน์กนการทํางานควรอยู่ควรที่จะขอแรงงานกล่าวคือหัตถกรรมที่บุรุษควรทําขึ้นชื่อว่าหัตถกรรมไม่ใช่เป็นวัตถุบางอย่าง เพราะเหตุนั้นหัตกรรมนั้นเว้นการงานส่วนตัวของพวกในปลาเนื้อและชาประมงเป็นต้นเสียที่เหลือเป็นกัปปิยะทั้งหมดเมื่อเขาถามว่าท่านมาทํำไม่ขอรับมีการงานอะไรที่จะต้องทําหรือขอรับหรือว่าไม่ถามจะขอเลยก็ควรไม่มีโทษกพราะการขอเป็นปัจจัยนี่มายถึงการขอแรงงานนะเรียกว่าขอหัตกรรมจะต้องเป็นการงานที่เหมาะที่ควรด้วย ส่วนพวกในคราเนื้อเป็นต้นที่สุไม่ควรขอกิจการส่วนตัวของเขาทั้งไม่ควรขอโดยไม่เจาะจงว่าท่านจงให้หัตกรรมเพราะพวกในครานเนื้อเป็นต้นนั้นถูกที่สุขออย่างนี้แล้วจะต้องรับคําว่าได้ขอรับแล้วนิมนต์ที่สุให้กลับไปแล้วพึงค่าเนื้อนํามาถวายก็ได้แต่ควรขอกําหนดลงไปว่าในวิหารมีกิจการบางอย่างจะต้องทํา พวกท่านจงให้หัตกรรมในวิหารนั้นการที่พิจุจะขอหัตกรรมบางอย่างกะชาวนาหรือคนอื่นแม้ผู้ขวนขวายในการงานของตนซึ่งถือเอาเครื่องอุปกรณ์มีผาและไถเป็นต้นกำลังเดินไปเพื่อไถานา ก, ก็ดีเพื่อหวานก็ดีเพื่อเกี่ยวก็ดีสมควรแท้คือขอแรงงานของคนเหล่านี้ได้นะส่วนผู้ใดเป็นคนกินเดนหรือเป็นคนว่างงานอื่นซึ่งพูดคุยแต่เรื่องไร้ประโยชน์ หรือเอาแต่หลับนอนอยู่แม้ไม่ขอร้องควรเห็นปานนี้จะสั่งว่าเฮ้ยเจ้าจงมาทำการงานสิ่งนี้รูอสิ่งนี้แล้วให้ทำการงานตามที่ต้องการควรอยู่พวกที่กินเดินหรือว่ามาอาศัยวัดรับประทานอาหารเนี่ยนะก็จะใช้เขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้แต่เพื่อแสดงว่าหัตถกรรมเป็นกับพิยัคทุกอย่างอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวในนี้ว่า ก็ทว่าพิสุกประสงค์จะให้สร้างปราสาทพึงไปยังบ้านแห่งช่างพวกสลักหินเพื่อต้องการเสาแล้วกล่าวว่าอุบาสกการที่พิสุได้หัต ก, กรรมเช่นนี้บ้างคงจะดีเมื่อเขาถามว่าโยมจะช่วยทําอะไรได้บ้างขอรับพึงบอกว่าโยมช่วยสลักเสาหินให้หน่อยถ้าพวกเขาสลักถวายหรือถวายเสาของตนที่สลัเกเสร็บไว้แล้วก็ควรอยู่ ถ้าแม้พวกช่างสลักหินกล่าวว่าพวกผมไม่มีเวลาจะทำหัตกรรมให้หรอกขอรับขอให้ท่านให้คนอื่นสลักเถิดพวกผมจะให้ค่าจ้างแก่เขาเองดังนี้ครั้นให้เขาสลักแล้วจึงควรบอกว่าพวกท่านจงให้ค่าจ้างแก่คนที่สลักเสาหินเถิดดังนี้โดยอุบายเดียวกันนี้พิสุจะไปยังสำนักพวกคนผู้ทำการช่างศิลปะนั้นๆ ขอหัตถกรรมเพื่อประสงค์ทุกๆสิ่งที่ต้องการก็ควรคือไปยังสำนักช่างไม้เพื่อต้องการไม้สําหรับสร้างประสาทไปยังสำนักช่างอิฐเพื่อต้องการอิฐไปยังสำนักช่างมุงหลังคาเรือนเพื่อต้องการมุงหลังคาไปยังสำนักช่างเขียนเพื่อต้องการจิตกรรมแล้วขอหัตถกรรมสมควรอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ต้องพิจารณานะว่าเกินเลยไปหรือเปล่าจะกลายเป็นคนมักมากไหมจะกลายเป็นคนขี้ขอหรือเปล่า ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ต้องดูศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นด้วยว่าเขายินดีพอใจจะให้ขอไหมและจะรับเอาของแม้ที่ตนได้โดยขาดมูลค่าก็ดีโดยการเพิ่มให้ค่าจ้างและเบี้ยเลี้ยงก็ดีเมื่อำนาจการขอหัตถกรรมสมควรทุกอย่างและเมื่อจะนําของมาจากป่าควรให้นําของทั้งหมดที่ใครๆไม่ได้คุ้มครองห่วงแหนมา ไปเอาของที่เขาหวงแหนมาก็อาจจะต้องถูกปรับอาบัติไม่ใช่ประสงค์จะให้สร้างปราสาทอย่างเดียวแม้ประสงค์จะให้ทําเตียงต่งางบ่าทำมะกรกกรองน้ําและจีวรเป็นต้นได้ไม้โลหะและได้เป็นต้นแล้วเข้าไปหาพวกช่างศิลป์นั้นๆพึ่งของหัตถกรรมโดยในดังกล่าวนั้นแลและสิ่งของที่ตนได้มาโดยขาดมูลก็ดีได้โดยการให้ค่าจ้างและเบี้ยเหลี้ยมก็ดี ด้วยอำนาแห่งการขอหัตกรรมก็ดีพึงรับเอาทั้งหมดก็ถ้าพวกคนงานนี่ปรารถนาจะทําเกี่ยงเอาค่าจ้างและเบีย้ยเลี้ยงของเป็นอากติยะมีเหรียญกระสาเป็นต้นไม่ควรให้คือถ้าเขาจะเอาค่าจ้างเป็นเงินนี่นะพระพิตุไม่ใช้เงินทองไม่มีเงินทองสนานักเชื่อสายศักยะบุตรมีทองและเงินอันวางเสร็แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาจะเอาเงินทองก็ไม่เอานะีไม่ต้องให้ทํา จะแสดงหาข้าวสารเป็นต้นด้วยพิกขาจาระวัตให้ควรอยู่แต่ถ้าเกิดเขาจะเอาพวกกัปติยาพันของที่สมควรแปรปัชิตเช่นข้าวสารอะไรพวกนี้ก็ไปบินาบาตมาให้เขาก็ได้แต่ว่าคิดว่าสมัยนี้คงไม่มีนะพิกตุให้ช่างบาทรทำบาทด้วยอำนาจแห่งหัตถกรรมแล้วให้ระบมทานองเดียวกันนั้นแล้วเข้าไปยังภายในบ้านเพื่อต้องการน้ามันฉลมบาต ท, ที่ระบมใหม่ ก็คือขอหัตกรรมในการทําบาตรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องการที่จะได้น้ํามันเพื่อระบมบาตรใหม่เมื่อชาวบ้านเข้าใจว่ามาเพื่อพิชสาแล้วนําข้าวต้มหรือข้าวสวยมาถวายพึงเอามือปิดบาตรถ้าอุปัสการถามว่าทําไมเจ้าคะภิกษุเพิงบอกว่าบาตรระบมใหม่ต้องการน้ํามันสําหรับทาอันนี้ไม่ได้ขอเลยนะเขาถาม ถามว่าปิดบาททําไมก็จะถวายข้าวต้มเนี่ยเอามือปิดบาทแล้วก็เขาก็ถามการถามอย่างนี้นี่บอกได้หมดเลยอยากได้อะไรนี่ถ้าเขาถามแล้วก็บอกได้ไม่ชื่อว่าเป็นวิญยัตถ้าอุบาสิกานั้นกล่าวว่าโปรดให้บาทเถิดเจ้าข้าแล้วรับบาทไปทาน้ํามันบรรจุข้าวต้มหรือข้าวสวยให้เต็มแล้วถวายไม่ชื่อว่าวิญยัตจะรับควรอยู่ชนีดแล ก็คือได้ทั้งน้ํามันทาบาดด้วยได้ทั้งข้าวต้มด้วยหรือว่าข้าวสวยนั้นไม่เป็นวิญยตพวกพิกษุเที่ยวไปในบ้านแต่เช้ามืดไปถึงหอฉันไม่เห็นที่นั่งยืนคอยอยู่ถ้าที่หอฉันนั้นอุบาสกและอุบาสิกาเห็นพวกพิกษุยืนอยู่ช่วยกันให้นําที่นั่งมาเองพวกพิกษุผู้นั่งแล้วเมื่อจะไปพึงบอกลาก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมแล้วจึงไป แม้เมื่อพิษุไม่ลาก่อนแล้วไปของหายไม่เป็นสินใช้เพราะว่าเขาไปเอาที่นั่งมาให้เองแต่การบอกลาแล้วไปเป็นวัดคือเป็นธรรมเนียมที่ดีถ้าอาสนะเป็นของที่ชาวบ้านซึ่งพิษุทั้งหลายสั่งว่าพวกท่านจงนำอาสนะมาจึงนำมาให้พิษุทั้งหลายต้องบอกลาแล้วจึงไป เมื่อพวกพิตุไม่บอกลาแล้วไปเป็นการเสียธรรมเนียมด้วยและของหายก็เป็นสินใช้ด้วยต้องมาหาคืนเขาเอามาคืนเขาว่านะไปหาด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่แม้ในพรมสำหรับปูราเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันมแมลงวันมีชุกชุมมากพึงกล่าวว่าจงเอาพัดปัดมแมลงวันมาพวกชาวบ้านนากิ่งสะดาวเป็นต้นมาให้ พึงให้ทํากับิยะก่อนแล้วจึงรับก็คือทํากับิยะเพราะว่ามันอาจจะงอกได้นะภาชนะน้ําที่หอฉันว่างเปล่าไม่ควรกล่าวว่าจงนําธรรมปกลกมาเพราะเมื่อหย่อนธรรมะกลกลงไปในภาชนะว่างเปล่าจะพึงทําภาชนะแต่แต่จะไปยังแม่น้ําหรือบึงแล้วกล่าวว่าจงนําน้ํามาควรอยู่จะกล่าวว่าจงนํามาจากเรือน ก็ไม่ควรเหมือนกันไปขอน้ำจากเรือนต่างๆนี่ไม่ได้นะจากอุมาสโสกบัิกาหนี้ขอน้ำก็เป็นวิญาตเหมือนกันอบัติแต่ว่าถ้านำน้ำที่ไม่มีเจ้าของมาน้ำในแม่น้ำมาไม่เป็นไรก็บอกว่าอย่าริโภกน้ำที่เขานำมาให้ก็าบอกว่าให้นาน้ำมาจากเรือนเลยนะถ้าเขานำมาก็อย่าริโภกเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายจะทำพัฒกิจที่หอฉันหรือเสนาสนะป่า็ดี ไบไม้หรือผลไม้ที่ควรกินเป็นกับแกล้มอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีคนห่วงห้ามเกิดในที่นั้นถ้าจะให้คนทำงานบางยามนํานมาควรจะให้นํามาด้วยหนาจแห่งหัตถกรรมแล้วฉันก็คือขอแรงงานนั่นเองแต่ไม่ควรใช้พวกพิกจุหรือสามเณรผู้เป็นอันชีให้ทํำหัตถกรรมในเรื่องปุริสัทธก่ก็คือแรงงานคนนี้มีในเท่านี้ก่อน พวกพิสุสำเนีที่เป็นรับชีนี้อย่าไปวานอย่าไปให้ไปทําอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวทําด้วยอำนาจของการผิดศีลล่วงศีลพระพิสุเกิดไปฉันอะไรที่อย่างเช่นไม่ได้รับประเคนไม่ได้ทํากับยักษอะไรเหล่านี้นะก็มีโทษอันหนึ่งการที่พิกสุจะให้นําโคมาจากสถานที่แห่งควรผู้มิใช่ญาติและมิใช่ปรารณาย่อมไม่ควรเป็นทุกกฎถ้าไปนําโคมาจากผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ป ร, รณานี้อาบัติทุกกฎ แก่ที่ตุผู้ให้นำมาจะขอโดยขาดมูลค่าแม้จากสถานที่แห่งญาณและคนประวรรณาก็ไม่ควรก็คือจะขอมาเลยเนี่นะไม่ได้เป็นการขอยืมะจะขอโดยในของขอยืมควรทุกแห่งและพึงรักสารบบารุงโคที่ให้นำมาแล้วอย่างนี้เสร็จแล้วพึงมอบให้เจ้าของรับคืนไปถ้าเท้าหรือเขาของมันแตกหักหรือเสียไป ถ้าเจ้าของยอมรับคืนไปการยินยอมรับอย่างนั้นก็เป็นการดีถ้าไม่ยอมรับก็เป็นสินใช้นะต้องหามาใช้เขาแหละถ้าหาเจ้าของกล่าวว่าพวกผมถวายท่านเลยไม่ควรรับแต่เมื่อเจ้าของกล่าวว่าพวกผมถวายแกวิหารพึงกล่าวว่าพวกท่านจงบอกแกพวกอารามิกชนเพื่อประโยชนแ์แกการเลี้ยงดูมันเพราะว่ระิสุไม่เลี้ยงสัตว์นะ จะกล่าวกับพวกคนมิใช่ญาติและไม่ได้ประวรณาว่าพวกท่านจงถวายเกวียนดังนี้ก็ดีไม่ควรย่อมเป็นวิญญาตแท้ถ้าบอกให้เขาถวายเนี่ยนะไม่ใช่ญาติด้วยไม่ใช่คนประวรณาด้วยมีอบัตทุกกฎเป็นวิญญาตต้องอบัตทุกกฎแต่ในฐานแห่งญาติและคนประวรณาควรอยู่ไม่เป็นอบัติของขอยืมจึงควรทําการงานเสร็จแล้วพึงคืนให้ ถ้าโกงเป็นต้นแตกไปพึงกระทําให้เหมือนเดิมแล้วให้คืนเมื่อเสียหายเป็นสินใช้เมื่อเจ้าของกล่าวว่าพวกผมถวายท่านเลยธรรมดาว่าเครื่องไม้ควรจะรับไว้ถ้าถวายโคถวายสับอันนี้ไม่เอาไม่รับนะถ้าถวายเพื่อวิหารว่าให้ไปบอกคนวัดนี่รับได้แต่ว่าให้ไปบอกคนวัดไม่ได้รับเพื่อตนไมไ่รับเองในมีดขวานพิงจอบและสิวก็ดี ในพฤกษชาติมีถาวรเป็นต้นที่คนอื่นหวงแหนก็ในนี้แหลในถาวรเป็นต้นที่พอเป็นครุพันได้เท่านั้นจึงเป็นวิญญัตต่ำกว่านั้นหาเป็นไม่บางทีก็บอกว่าแปดนิ้วถาวรแปดนิ้วนี้นะก็จัดว่าเป็นครุพันแล้วมันจะขอเขาไม่ ไ, ด, ไมด้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนนานี่นะเป็นวิญยัตเมื่อเป็นวิญญัตก็อบัตทุกก แต่พิจตุจะให้นำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่มีคนหวงแหนมาควรอยู่เพราะว่าในที่มีคนรักษาคุ้มครองเท่านั้นท่านจึงเรียกว่าวินยัตวินยัตนั้นย่อมไม่ควรในปัจจัยทั้งสองคือจีวอและบินทบาตโดยประการทุกอย่างแต่เสนาสนะปัจจัยเพียงแต่ออกปากขอว่าท่านจงนำมาจงให้เท่านั้นไม่ควร ส่วนปริกถาโอภาษและนิมิตกรรมสมควรนะจะไปพูดอ้อมๆหรือว่าแสดงอาการต่างๆเนี่ยในเรื่องเสนาสนะนี้ทําได้บรรดาปริกถาโอภาษและนิมิตกรรมนั้นคําพูดของพิกสุผู้ต้องการรงอุโบสถหอฉันเสนาสนะอะไรอะไรอื่นโดยนเป็นต้นว่าการสร้างเสนาสนะเห็นปานนี้ในโอกาสนี้ควรหนอหรือว่าชอบหนอ หรือว่าสมควรหนอดังนี้ชื่อว่าปริกาษาคำพูดกระพรอบที่สุถามอุบาสกว่าอุบาสก พ, พวกท่านอยู่ที่ไหนพวกอุบาสกตอบว่าที่ประสาทขอรับพูดต่อไปว่าก็ประสาทไม่ควรแก่ที่สุทั้งหลายหรืออุบาสกอันนี้ก็เป็นคำถามอ่ะอันนี้เรียกว่าโอภาสคำพูดเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าโอภาษ ก็คือทําแสงสว่างให้เ้าเข้าใจให้เขารู้นะก็การกระทํามีอาทิอย่างนี้คือเพี้สุเห็นพวกชาวบ้านแล้วให้อนุสัมพันธ์ถึงเชื่อกตอกหลักเมื่อพวกชาวบ้านถามว่านี้พระคุณเจ้าจะให้ทําอะไรกันขอรับตอบว่าพวกอัตมาจะสร้างที่อยู่อาศัยในที่นี้ชื่อว่านิมิตกรรมถ้าเขาเห็นแล้วมีตถา จะมาช่วยสร้างช่วยปลูกหรือว่าเอาวัตถุต่างๆมาถวายอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเขาถามพอเขาถามก็ได้โอกาสพูดเลยว่าพระคุณเจ้าต้องการไม้ไหมต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมก็อบอกว่าได้ก็ดีอันนี้ก็ไม่มีอบัดแล้วนะเพราะว่าเขาถามถ้าขอตรงๆไม่ได้แต่ว่าปริศถาโอภาสและกนิมิตกรรมนี้ได้สาหรับเสนาสนะสาหรับรถยนต์เนี่ยนะหรือว่ารถ โดยสารก็จัดว่าเป็นเสนาสนะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะขอก็ขออ้อมอ้มก็ได้นะแล้วก็ไม่ได้ขาดมูลค่าเลยขออาศัยไม่ได้ขอรถขออาศัยไปเท่านั้นไม่มีวัตถุไม่มีสิ่งที่เขาจะให้มานะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปถามว่าอาตมาต้องการไปที่นั้นแต่ว่าอาตมาไม่มีปัจจัยเลยจะไปที่จังหวัดนั้นจังหวัดนั้นโยมเขาก็เข้าใจแหละถ้าเขาให้ไปก็เขาก็จะนิมนต์ ถ้าเขาไม่ให้ไป่อไปบอกกับคันหลังกันอื่นอีกก็ได้ถึงแม้บอกไปเลยนะว่าอาตมาจะขออาศัยไปอันนี้ก็ไม่ได้ขอขาดมูลค่าอะไรไม่ได้ขอตัววัตถุไม่คือไม่ได้ขอตัวรถยนต์ไม่ได้ขอเสนาสนะเพียงแต่ว่าขออาศัยเท่านั้น น, นี้ก็ไม่มีอบัตนะตรงนี้ส่วนในขีลานะปัจจัยแม้วินยัตก็ควรจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงปริกถาเป็นต้นเล่าก็คือถ้าป่วยแล้วก็ เดินเข้าร้านขายยาขอยาได้เลยนะสำหรับป่วยนะถ้าไม่ป่วยก็มีโทษเหมือนกันก็ถาวินิจฉัยเรื่องวินยัตในบาลีมุตตะวินยะวินิจฉัยสังหะจบเพราะฉะนั้นก็ขอปัจจัยเนี่ยได้สองอย่างนะก็คือจีวรและบินธบาทแกผู้ที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็คนตรนาจึงจะเป็นวินยัตนะถ้าขอเนี่ยขอกับผู้ไม่ใช่ญาติเป็นวินยัต แต่ถ้าปัจจัยทั้งสี่นี่ขอก็ควเป็นญาติไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีอบัตเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นญาติไม่ใช่เป็นคนปรรนานี่ขอจีวรกับบินทบาท ต, ตรงๆนี่อบัตแน่นอนส่วนเซนนาสนะนี่ขอตรงๆนี่ไม่ควรแต่ใช้ปริคถาโอภาสนิมิตกรรมสมควรสำหรับคิดานะเจตัดเวลาป่วยก็แม้วินยัดก็ควรก็คือขอไปโดยไม่มีอบัตอนมุตนาสาธุ